มันมีทั้งโทสะแล้วมีทั้งโมหะขึ้นมาแต่นี้มันไม่มีเสียงมันสัมผัสมันก็ไม่มีมันล่วงยังยงเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้หลวงพ่อหลวงพ่ อ, อ, อ, อ, อ, อท่านสอบอารมณ์เราให้เราขึ้นชั้นนี่เองขึ้นจากอารมณ์ตัวนีเ้เหล่านี้ที่เรา ค, คุกขีกันมันมาตลอดอ ค, คุกขีมาตลอดก็เหมือนกับอย่างที่ว่าโยมกพขาวไม่ขาว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 ต้องเล้าต้องโลมจิตของเราอยู่ตลอดเวลาปุกเราอยู่ตลอดเวลาเพราะใดท่านอยากให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้มันก็อาตมาเนี่ยนะงงเข็มแปบเดีอไม่รู้ไม่รู้จักอารมณ์ตัวนี้เลย ก, ก็ยังว่าอาจารย์พงนะน่นแนะอะกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดก็โทรไปหาตลวงตาเนะี่ย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 ะระหว่างที่เราปลูกเองกัรที่มันขึ้นธรรมชาติเนี่ยโอ้ที่เราเดินจงกรมวันนั้นอาตมาเดินเดินจงกรมอยู่เพราะว่าหลวงพ่อไปเห็นมันก็ลอยลอยหนูเหมือนลอยหนูมันหาที่เดินก็ไม่ได้เพราะว่าบนภูเขาเออครั้นี้หลวงพ่อก็ไม่อยากให้ห่างสายตาท่านนั่นแหละอยากท่านก็นดูคอยดูคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาคอยเปลี่ยนวาระจิอยู่ตลอดเวลา อืจะเป็นเราจะเป็นคนเก่าคนใหม่ท่านไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นแต่ฉันเนี่ยจะต้องดูหน้าที่ของฉันฉันก็ต้องทําอย่างนี้ให้เธอนั่นอะ่ะดูแล้วให้เธอเห็นแล้วเธอได้สัมผัสได้ตัวเองแล้วเธอจะได้แก้ไขได้ถูกต้องอ่ามาเห็นนะที่ท่านไม่ใช่ว่าท่านพูดนะแต่ไปเห็นความคิดของท่านอันนี้เป็นเรื่องจริงเอออันนี้หลวงพ่อนี่เจตนาให้พวกเราเ น, นี้ทุกคนนี่เป็นอย่างนี้จริงๆ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 ท่านยังไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยท่านไม่กลัวไม่ไ ม, ม่มีกลัวท่านสอนไม่ให้กลัวท่านท่านพูดบอกว่าให้เรารู้ทุกนะให้เรารู้ทุกถ้าเราไม่รู้ทุกเราก็ไม่ไม่เจอของดีหรอกถ้าเราไม่รู้ทุกแล้วโดยมีดีทุกสุดท้ายนี้ก็ขอสุดท้ายนี้ก็ขอให้พ่อขาวแม่ขาวและญาติยาติทำทั้งหลาย